ธรรมสารนางคาชามีสร้างขางสารนางคาชามีทุติยามปีพุทธทางสารนางคาชามีทุติยมปีธรรมางสารนางคชามทุติยามปีสร้างขางสารนางคาชามตาติยามปีพุทธทางสารนางคาชาม ตาติยมปีธรรมางสารนางคาชามีตาติยมปีสร้างทางสารนางคาชามี